10. ปรินัตะสิกขาบท 53. ถามทรงบัญญัตินิสัเคียปาจิตตีแก่ภิกษุผู้รู้อยู่น้อมลาบที่เขาน้อมไว้เป็นของจะถวายสง์มาเพื่อตนณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบไกรตอบ ทรงปรารบพวกภิกษุฉับ พ, พักขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุขฉับ พ, พักขีรู้อยู่น้อมลาบที่เขาน้อมไว้เป็นของจะถวายสง์มาเพื่อตนในปรินาตะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสสมุดฐาน ปัตตวัคที่3จบ